คือคำว่าคนในที่นี้เนี่ยนะเป็นสมมุติบัญญัติขึ้นเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราถามหาสัตว์หรือถามหาใครที่อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารอ่ะวิญญาณเนี่ยหาไม่พบหรอกแต่อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาจึงเรียกว่าสัตว์เรียกว่าคนเรียกว่านายกนายขอนางงเป็นต้นเนี่ยนะก็เพราะเพราะอ่าเหมือนกับรถอะ่ะถามว่าเออรถนี้เป็นรถรถเก๋งอ่ะตรงไหนเป็นเก๋งกันแน่นะตรงไหน เอางั้นรถแก๋งก็ไม่มีสิใช่ไหมเรถเก๋งเนี่ยนะถ้าถ้าถามรถเก๋งอยู่ตรงไหนเนี่ยไปถามหาโอ้โหเลาะหาเถอะตั้งแต่ตั้งแต่ตหัวข้างหน้าถึงข้างวังข้างหลั ง, ง, ลงไปข้างหน้าข้างบนข้างล่างเนี่ยนะพลิกเจ็ดตลบก็หาไม่พบรถแก๋งเหมือนกนเพราะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่รถเก๋งไม่มีเลยไงอาศัยไอ้พวกรวมๆนั่นแหละเขาเลยเรียกว่ารถเก๋งชั้นใด้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะโดยประมาทแล้วไม่มีรอ แต่อาศัยความประชุมรวมๆกันของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละก็เลยเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์แต่ที่เรียกว่าสมมติว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะเพราะมันสะดวกต่อการพูดคุยกันไม่ไงั้นเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องเอสวัสดีคุณขันห้า น, นะคุณอายตนะ น, นะเป็นยังไงสวัสดีคุณจักขายาตนะเป็นงไงมานายาตนะดีขึ้นไหมตอนนี้ว่าชักยุ่งกัอะไรนะมันชักโอ้โหโลกกระท ม, มันจะสอบสนปนเปกันไปหมดเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะ มันเป็นวิชาที่จะต้องูรู้การรู้ชุมชนรู้บริษัทเหมือนกันรู้การรู้เวลารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนเนี่ยนะจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ดูยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยสภาวะที่จริงแท้ด้วยอำนาจของปัญญาจริงๆแล้วเสาะหาแสวงหาเที่ยวค้นหาสัตว์ทั้งหลายอยู่ในในนั้นไม่มีเลยอัตตาอยู่ในนั้นไม่มีแต่สิ่งเหล่านี้มีมีจริงและจริงด้วย แต่ไม่เที่ยงเนละความจริงอันนี้ไม่เที่ยงความจริงที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นความจริงที่วิบัติแปรปรวนเป็นความจริงที่มีอายุระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีอายุใช้งานของสิ่งนั้นๆไปเหมือนไอ้พลาสติกเนี่ยนะพลาสติกหรือพวกพวกยืดพวกยางพวกอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะพวกพวกยางเนะี่ยมันก็มีอายุใช้งานแต่เอาไปหล่อใหม่ได้ไหมก็กลับหล่อใช้งานใหม่อีกได้อะ แต่ว่ามันหมดสภาพไปแล้วใช่ไหมเอาไปหล่อมาทําใหม่หล่อมาใช่ใหม่ชั้นหนก็ดีร่างกายของเราก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนนี่มันเป็นผักนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผักอยู่แต่ว่าผักนั้นมาจากไหนนะสารอาหารอะไรที่ไปทําให้มันเป็นผักอ่ะมาจากปุ๋ยแล้วปุ๋ยไปจากไหนไปจากคนอ่ะมันก็เหมือนกันไม่รู้ว่าใครกินใครแล้วกันนี่มันมันปังแล้วมันสับสนมัหมดเหมือนกันน้ําดื่มเนี่ยนะ เออน้ำเราเอาน้ำสะอาดๆมาเป็นน้ำดื่มเออแล้วน้ำดื่มมันไปเป็นอะไรเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเป็นอะไรเป็นน้ำปัสสาวะเป็นต้นอา้าวปัสสาวะไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไปทิ้งลงมาดินอา้าวแล้วน้ำที่เราดื่มมัมาจากไหนเอ้มันก็ดูดูท่ามันก็ใกล้ๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยนะเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งนั้นๆทีนี้ว่าในในสิ่งเหล่านี้ใครจะได้ดีประนีดเนี่ยนะ เช่นรูปร่างกายมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์ซามรูปร่างปนิษฐ์เกิดตระกูลสูงตระกูลต่ำเป็นต้นอันนี้ก็เนื่องจากเนื่องจากกรรมด้วยส่วนหนึ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นไปเนื่องด้วยกรรมกรรมเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญเอาทีนี้ว่าเอางั้นเราก็ไปจัดแจงที่กรรมสิโอถ้าใครจัดแจงกรรมได้นะสาธุขอให้ทำได้จริงๆเถอะเนี่ยนะกรรมมีกี่อย่าง กายกรรมมจีกรรมมโนกรรมนนั้นใครมีในอื่นไหมกรรมมีกี่อย่างในอื่นยังมีไหมคุณผู้ชมมีไหมกรรมอีกในอื่นถ้าใครทำกรรมได้จริงๆเนี่ยจะยกย่องเนี่ยเนี่ยนะแต่ถ้าจะพูดตามจูมีอยู่กุกุโรวาทศูนย์เนี่ยนะกรรม4น่าสนใจกรรม4ก็บอกว่ากรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำทั้งขาว กรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นนะคือสี่กรรมประเภทเนี่นะคือคือเห็นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดในเรื่องของกรรมนั้นๆด้วยกรรมดําให้ผลดําหมายความว่าอากุศลนี่ให้ผลเป็นทุกอย่างแน่นอนกรรมดําให้ผลดํากรรมดํามีวิบากดํากรรมขาวมีวิบากขาวหมายความว่ากุศลให้ผลเป็นสุขแน่นอนถ้ากรรมทั้งดําทั้งขาวเคยทําทั้งบุญและด่าไปด้วยในตัวไหมนั่นนะ โอ้ยแจกเที่ยวให้ะนะไอะ้กสองพระป่านี่ให้ก็ให้ละแต่บนด้วยคล้ายแบบนี้นะเนี่ยทำทั้งนํำทั้งขาวสลับพระเคล้ากันไปมันชีวิตมันก็เลยทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละโอ้ยทวารหูนี่ดีเหลือเกินนะคนมาเยี่ยมไข้เป็นยังไงดีไหมสุขภาพโอ้ยเขาถามด้วยความเอาอกเอาใจนะแต่สภาพกายนี่ไม่ไหวแล้วมันดีคนวารเหมือนกันทวารหูดีละมีญาติมีมิตรมาเยี่ยมโอเจ๋งจริงๆเลย แต่ทวารกายนี่มันในเรื่องป่วยก็ซ้อก็แสะเจ็บก็ต่อได้แน่นะเพราะฉะนั้นไอ้แต่ละทวาร น, นี่จึงไม่เหมือนกันเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยขณะที่ทํากรรมเนี่ยนะบางทีมันทําสลับกรรมทําทั้งบุญทาทั้งบาป น, นะทำเตรียมตัก บ, บาปไปด้วยบ่นให้ลูกไปด้วยอะไรไปด้วยอย่างคล้ายๆแบบเนี้ยทำทั้งดําทั้งขาวพันวิบากก็ทั้งดำทั้งทั้งขาวสุขแง่หนึ่งทุกข์อีกแง่หนึ่งบางคนเนี่ยหูวิบากทางหูดีเลือกเกินแต่ทางตาใช่ไม่ได้อยู่แต่กับอะไรก็ไม่รู้ เห็นแต่สิ่งที่สกปรกที่สุดทั้งนั้นแต่แต่ทวารอื่นๆเนี่ยเขาดีมากแต่ทวารตาใหม่ดีบางคนทวารหูไม่ดีเลยฟังแต่เรื่องคนชั่วทั้งนั้นเลยแต่นั่งอยู่ในที่ที่ดีๆนะนั่งหูที่นั่งเนี่ยสบายอากาศดีล้อมคนล้อมหน้าล้อมหลังคนดีทั้งนั้นเลยแต่เรื่องที่ฟังไม่ได้ดีสักอย่างเลยนะฟังแต่เรื่องคนชั่วทั้งนั้นเลยฟังแต่เรื่องคนผ่านมันดีคนละทวารกันดีคนละทวารเพราะฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าธรรมทั้งดำทั้งทั้งขาวถ้าศึกษาเวมานิ่กัเปรตมาก็บอกกลางวันนี่ขึ้นสวรรค์กลางวันนี่เสวยผลเป็นสุขกลางคืนเสวยผลทุกข์กำนั้นบางทีก็สลับกันคนละอาทิตย์บางทีข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยนะเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างก็เรียกว่ากรรมทั้งดําทั้งขาวให้ผลทั้งดําทั้งขาวและชีวิตมนุษย์เนี่ยจะเห็นลักษณะนี้ชัดเจนมากเปรตบางพวกก็เป็นลักษณะนั้นเดชะชานบางตัวก็เป็นลักษณะนั้น นะเพราะฉะนั้นได้รับทั้งผลดีได้รับทั้งผลที่ไม่ดีแต่มันมีกรรมอีกตัวหนึ่งซึ่งมีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอรยิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8โพธิที่อาโพธิปัขยธรรมหรือโพชงเจเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากรรมไม่ดาไม่ขาวถ้าบุคคลทาสาเร็จเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมอย่างแน่แท้ ไอ้กรรมไม่ดำไม่ขาวอันนี้ไม่มีใครทำให้ได้กรรมดำก็ไม่มีใครทำให้กันได้เนี่ยนะเคยได้ยินนะทำชั่วแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้กันเนี่ยนะมีทำชั่วแล้วอุทิศส่วนอะกุศลไปให้กันอะ่ะไม่มีไม่เคยมีได้เคยได้ยินนะประวติศาตอกโอ้โหไปเที่ยวดาคนอื่นแช่งชักหักกระดูกใหญ่ยยโตเลยนะเสร็จแล้วก็หยาดน้ำไปให้เขาอะ่ะเขาาไม่รับรอก เพราะว่าเขาจะเป็นกรรมหรือไม่ก็อยู่ที่เขาอนุโมทนาด้วยไหมแต่เขายินดีในเออดีแล้วที่แกไปทําบาปมาฉันขอแจมด้วยถ้าลักษณะนี้ก็มีส่วนแห่งบาปด้วยเหมือนกันบุญเหมือนกันที่เรียกว่าอุทิศส่วนกุศลเนี่ยนะไม่ใช่ว่าบุญของเราเนี่ยยกให้เขาไปเลยอ่านะเช่นเรามาทําบุญเนี่ยโอโ้โหอุทิศส่วนกุศลไม่ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะบุญเราพร่องไปไหมนะถ้าพร่องได้ก็แสดงว่าขอใจกันได้ <laughs> เพราะบุญมันคือสภาพจิต สภาพเจตสิกทั้งหลายถ้าหากว่าใครขอใจกันได้เนี่ยแหละใจมันจะไปขอกันได้ยังไงใจมันเกิดจากเกิดจากอะไรใจนี้เกิดจากปัจจัยนะใจนี่เกิดจากปัจจัยปัจจัยของใจนี่คืออะไรนะถ้าเลยไปหาวิญญาณขันนะวิญญาณขันเนี่ยไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยอย่างนั้นเนี่ยมัเป็นใหญ่เฉพาะตนเพราะว่าวิญญาณเนี่ยเกิดจากปัจจัยปัจจัยของจักขูวิญญาณคือตากับรูป ปัจจัยของโสตวิญญาณคือหูกับเสียงปัจจัยของคานวิญญาณคือจมูกกับกลิ่นปัจจัยของชิวหาวิญญาณคือลิ้นกับรสปัจจัยของกายวิญญาณคือกายกับโพธาะถ้าปัจจัยของมโนวิญญาณล่ะอันนั้นีน่นต้องตอบคิดหนักหน่อยต้องถามใหม่ว่ามโนวิญญาณนี่มีหลายประเภทนะท่านทางนั้นอะไรบ้างอ่ะเออมีทั้งกุศลก็มี อกุศลก็มีอัพยากตะก็มีเออแล้วไอปัจจัยที่เป็นมโนวิญญาณที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจ <Assistant>. จัยบอกเออโยนิสมานสิการเป็นต้นนะมันเป็นปัจจัยของมโนวิญญาณที่เป็นอกุศลเอาแล้วปัจจัยของมโนวิญญาณที่เป็นกุศลน่ะเนื่องจากโยนิสมานสิการเป็นต้นนั่นเองเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อมโนวิญญาณที่เป็นกุศลเาแล้วปัจจัยที่สาคัญของมโนวิญญาณที่เป็นวิบาก กรรมกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยเช่นผวังขจิตที่หล่อเลี้ยงชีวิตเอาไว้เนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยกรรมนะแต่ไปบอกว่าชีวิตของฉันทั้งหมดอยู่ด้วยกรรมต้องพูดให้ดีว่ากรรมส่วนไหนด้วยเพราะกรรมนี่มันเป็นคํากว้างๆว่า ง, างันทีนี้ถ้าปัจจัยของกิริยาจิต ก, ก็มาจากผวังผวังเป็นปัจจัยของกิริยาจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยไม่มีใครเป็นใหญ่ อยู่ในสิ่งนั้นๆเลยเขาเป็นไปตามปัจจัยของเขาใครจะไปจัดแจงเขาได้เพราะไม่มีใครอยู่แล้วทำให้มันมีใครก็ยังไม่มีเลยทำให้มันมีก็ยังไม่มีแต่ถามว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเหมือนมีสัตว์มีบุคคลถามว่าขัดไหมถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ภิกษุทั้งหลายเธอเธอเราเร า, เราอ น, นุนสารีบุตรโมคคลานะกัสปะ คําสอนอย่างเงี้ยถูกขัดแย้งกันหรือเปล่าไม่ขัดแย้งหรอกเพราะพื้นฐานการรอบรู้เรื่องขันห้าเนี่ยนะเป็นอย่างดีแล้วเมื่อเป็นอย่างดีท่านก็ใช้ศัพท์เหมือนกันแต่ไม่สําคัญมั่นหมายนั่นนะคือคือเรียนในเรื่องนี้มาอย่างดีละเอียดละออแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องขันท่าอัยตนะเป็นต้นนี้เขาจึงเรียกว่ากัลยาณปูตุชนกัลยาณปูตุชนกัลยาณปูตุชนเหล่านี้ศึกษาคําสอนเหล่านี้ จุดมุ่งหมายปลายทางของพูดถึงไตรสารณาคมคือเท่ากับปรารถนาโสดาปติมัคผู้ที่ถึงไตรสรนคมอย่างถูกต้องจริงๆก็เท่ากับปรารถนาโสดาปติมัคนั่นเองเนี่ยนะเพราะการถึงไตรสารณาคมเนี่ยอันนี้ส์สูงสุดเลยคือทําให้ได้โสดาปติมัคกว่าผู้ที่ได้โสดาปติมัคคือคนที่มั่นคงที่สุดในในสาระมั่นคงที่สุดในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะอะไร เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าชี้คือเรียกว่าส่วนที่เป็นโลกุตระและคำสอนที่ชี้โลกุตระให้เราทั้งหลายเห็นนั่นเองเนี่ยนะคำพระธรรมของพระพุทธเจ้าคืออะไรเราเคยคิดเอามาคิดนะพระธรรมคือโลกุตระและคำสอนที่ชี้ให้เห็นโลกุตระนั่นแหละเรียกว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าต่างจากนั้น ก็เอาไปคิดให้ดีแล้วกันว่าสิ่งเหล่านั้ น, น, นเนี่ยเป็นกุศลไหมยอย่างเช่นโอ้พระพุทธเจ้าก็แสดงนะอากุศลาธรรมมาเออตั้งกันนี้ต่อไปฉันเอาโลภะเป็นสาระาเ ง, งี้ยไม่ถูกต้องแน่นอนละเนี่ยนะแต่ถามว่าทไมพระพุทธเจ้าจึงจึงแสดงเรื่องโลภะเป็นต้นเพราะเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการแสดงเพื่อชี้ให้เห็นโลกุตระเนี่ยนะ เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นโลกุตระเพราะสิ่งที่ปกปิดโลกุตระจริงๆก็คือตันหาเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเอามาแสดงงนั้นคาสอนในส่วนเหล่านี้ทั้งหมดก็เพื่อให้เห็นโลกุตระนั่นเองดัง น, นในการพิจารณาขันห้าในในธรรมะทั้งหข้อเนี่ยนะที่ว่าไม่มีใครเป็นใหญ่อยู่ในขันห้าเลยแต่ละขันเลยนะ ไม่มีใครไปจัดแจงขันห้าตามชอบใจได้เนะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะใครไปจัดแจงด้วยด้วยคิดอย่างเดียวไม่ได้แต่ด้วยปัจจัยเนี่ยได้เนี่ยนะอย่างเช่นคนป่วยเนี่ยนะถามว่าคนป่วยเนี่ยนะคนที่จัดแจงได้คือใครมั่งอ่ะคือคนที่ศึกษาเรื่องโรคมาอย่างเดียวจึงจัดจัดแจงความป่วยไข้ให้แปรเป็นหายไข้ได้ก็ไม่ใช่ทาได้กันทุกคนถ้าทากันได้ทุกคนก็จะเป็นหมอกันทุกคนหมด แต่นี้ไม่ใช่แล้วหมอก็จะรู้เฉพาะโรคแล้วก็โรคบางสมุทฐานเท่านั้นเองเพราะโรคบางอย่างมีกรรมเป็นสมุทฐานโรคบางอย่างมีอาหารเป็นสมุทฐานมีอุตุเป็นสมุทฐานมีอิรยาบถเป็นสมุทฐานมีน้ำดีเป็นสมุทฐานมีเสมหะเป็นสมุทฐานเกิดจากความพยายามของตนเกิดจากความพยายามของผู้อื่นเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าจัดจัดแจงได้หมดเลยก็ทาได้ในส่วนหนึ่งเพราะรู้ปัจจัยของบางอย่างเท่านั้นเอง ถ้าหากว่ารถมันซ่อมได้ทุกคันนะจะไม่มีทิ้งสักคันหรอกแต่จะซ่อมได้เป็นบางคันเนี่ย น, นะเพราะมีอะไรพร้อมในส่วนนั้นๆ<ม>เพราะศึกษาเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นคนที่ดูเหมือนจัดแจงขันห้าได้ก็เหมือนกับช่างซ่อมรถนั่นแหละ น, นะถ้าหากว่าช่างมีฝีมือแต่ว่าล้อมันหลุดไปล้อนึงอะช่างไปซ่อมอยังไงอะเพราะมันไม่มีลอ้ออะก็ต้องไปหาล้อมาใส่เอาเัมืนั้นแต่ถ้ามันขาดลอ้อยังไงก็ทําไม่ได้แต่ถ้าองค์ประกอบพร้อม ช่างจึงซ่อมรถเป็นเหมือนการผู้ที่รักษารูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ได้ถ้ารู้เหตุรู้ปัจจัยก็ดํารงอยู่ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้ปัจจัยยิ่งกว่าผู้รู้ปัจจัยทั้งหลายเพราะพระองค์รู้ปัจจัยที่สําคัญเพื่อให้เกิดขึ้นแห่งโลกุตระมักพระพุทธเจ้ายกย่องว่าในบรรดาที่ที่สิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นนะอริยมรรคประเสริฐที่สุด เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยคำสอนของพระองค์ทั้งหมดเพื่อปรุงแต่งอริยมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยนะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้ที่ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเนี่ยนะและบอกมรรคอันนั้นแก่แก่คนทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีคำสอนสอนเพื่อให้ดำเนินไปในในอริยมรรคเพราะพระพุทธเจ้านี่รู้รู้ปัจจัยของมรรคเป็นอย่างดี แต่ถ้าหากว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตามั่กกว่าเป็นอนัตตาเอออนัตตาแล้วใครจะไปทําอะไรก็เลยปล่อยตามสบายตามใจฉันในโลภะก็เกิดเท่าเดิมโทสะเกิดเท่าเดิมแต่โมหะไม่น่าจะเท่าเดิมนั้นมันน่าจะแก่กล้าขึ้นเหมือนกันนะโลภะมันก็แก่กล้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเท่าเดิมเลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยอย่างเช่นนะโลภะวันนี้นะจะเป็นปัใจจัยให้โลภะวันข้างหน้ากําเริบเสรฟสารหนักขึ้นไปก็อีกเนี่ยนะ โทสะวันนี้เป็นปัจจัยให้โทสะวันต่อๆไปกำเริบ ม, มากขึ้นความง่ความเคล ว, วันนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยให้ความฉลาดในวันหน้าเกิดเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีแต่เสริมโมหะด้วยกันเนี่ยนะอกุศลอุปการะเกื้อกูลต่ออกุศลแต่ผู้ที่ได้ศึกษาคำสอนมาเป็นอย่างดีแล้วอกุศลจะเกื้อกูลต่อการเกิดขึ้นของกุศลผู้ที่ศึกษาคาสอนมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะ อกุศลจะเ ก, กเื้อกูลมื่อต่อการเจริญเกิดขึ้นของกุศลเช่นเขาเห็นว่าไอ้หูเขาไปสมมุติว่าไปไปกโกรธหรือไปมีโลภะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นนะยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยน ะ, ะมีพระรูปหนึ่งไปบินทบาทบินทบาตไม่หาอาหารใช่ไหมแต่ไปเจอคนเขาใส่บาตรเข้าคนใส่บาตรนี่มันดีกว่าอาหารก็เลยชอบคนใส่บาตรเลยนะ <c oughs> แล้วก็กมาเาโอ้นี่นะไอ้กิเลส ต, ตัวนี้ถ้ามันกําเริบเสบสารกว่านี้เราคงแย่แน่ตกนรกแน่นอนเลยะนะ เพราะฉะนั้นตั้งกันนี้ต่อไปเนี่ยทำไมไ่ใดดีก็ไม่เอาแล้วว่า ง, งั้นเถอะเลิกในส่วนอื่นๆหมดปฏิบัติเพื่อกําจัดโลภะอนนั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโลภะครั้งนั้นเนี่ยมีอิทธิพลที่สําคัญมากต่อการเกิดขึ้นของอรหัตตมรรคของท่านอันนี้คนที่ศึกษาเรียนรู้มาเป็นอย่างดีอากุศลจกเกื้อกูลต่อให้เกิดกุศลเน่นะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งมีภาพรูปหนึ่งนะท่านนอนฝันท่านฝันว่าท่านได้ขี่ช้าง ตื่นขึ้นมาคนมีกิเลสเท่านั้นแหละที่ฝันว่างั้นเออนี่ฝันด้วยโลภะนี่ท่านก็เลยบอกว่าเออคนมีกิเลสเท่านั้นแหละฝันท่านก็เลยปฏิบัติธรรมใหญ่เลยบรรลุเปรมธาตรหรันเพราะมีความฝันเนี่ยเป็นเหตุนะเพราะฉะนั้นอกุศลเกื้อกูลต่อการเกิดขึ้นของกุศลสําหรับผู้ที่ศึกษามาดีแล้วแต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษามาเลยตรงกันข้ามอากุศลจะเกื้อกูลต่ออกุศลอกุศลจะหนานเน่น แกร่งขึ้นแกร่งขึ้นเนี่ยนะโลภะจะแกร่งขึ้นโทสะจะแกร่งขึ้นโมหะจะแกร่งขึ้นถามว่าแกร่งขนาดไหนอ่ะก็จนแกร่งขนาดมาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เห็นอริยสัจสักทีเนะี่ยมันแกร่งขนาดนั้นเลยนะมันเป็นลิ่มใหญ่สลักใหญ่เหมือนกันนะที่มันขัดขวางเหลือเกินเนี่ยนะนะเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นนะั่นแหละเพราะฉะนั้นในโลกแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะควรควรเอาไปพิจารณาเอาไปเทียบเคียง โดยอาการสองโดยอาการสี่โดยอาการหกโดยอาการ8ดโดยอาการสิบโดยอาการสิบสองเนี่ยนะ ถ, ถ้าในการพิจารณาสุญญาตาโดยนัยะต่างๆก็คือเอาความรู้ทั้งโดยอาการทุกๆอาการเนี่ยพิจารณาลงไปในขันห้าเพราะเป็นคำสอนที่มุ่งเจริญอนัตตานุปัสสนเพื่อให้เห็นอนัตตลักษณะนั้นผู้ที่เจริญ อนุตานุปัสนามากๆมีสติในการทุกเมื่อหมายความว่าเจริญอนุปัสนาอันนี้เนี่ยนะทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายค่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันทั้งกลางคืนไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นข้างแรมไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนเนี่ยนะฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนมีเท่านี้นะถ้ามีขยายอีกนะฤดูมากกว่านั้นอีกหน่อยเป็นฤดู6นนเป็น6ฤดูเคยได้ยินไนหะ เขาเขามีนะของภาษาบาลีเขามีหฤดูก็คือส่วนส่วนต้นของฤดูมีชื่อแบบนี้ส่วนปลายของฤดูมีชื่อแบบนั้นน่ะนะนนแล้วก็ทุกทั้งปีเลยว่า ง, งั้นเจริญอันเนี้ยทั้งปีเรียกว่ามีสติที่เป็นไปกับอนัตตานุปัสนายอย่างเนี้ยทั้งปีแล้วก็ไม่ใช่ปีเดียวตลอดปฐ ม, มวัยเนี่ยนะ ตลอดปฐมมาวัยเลยตั้งแต่อายุน้อยๆจนหนุ่มแน่นเต็มตัวตตหนุ่มแน่นเต็มตัวจนถึงเหี่ยวเฉาไปนั่นแหละที่เรียกว่ากลางคนท้ากลางคนก็ถ้ากลางคนไปแล้วอะ่ะเอาจนตายนั่นแหละถ้าตายแล้วก็ยังไม่ได้ดิบได้ดีทํำยังไงอะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกพลที่บําเพ็ญบุญบารมีศึกษาคําสอนมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้บรรลุในปฐมอาวัยก็จะบรรลุในมัชชิมะวัยถ้าบรรลุในมัชชิมะวัยไม่ได้ ก็จะบรรลุในปัจฉิมวัยปัจฉิมวัยไม่บรรลุสักทีก็ใกล้ใกล้ตายนั่นแหละรอดูอีกครั้งหนึ่งถ้าใกล้ตายไม่ได้ดีนะ่ะก็รอเกิดชาติใหม่ก็แล้วกันเป็นเทวดาเอาเป็นเทวดาก็ไม่ได้บรรลุอีกไม่ต้องห่วงนะถ้าถึงไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะได้เป็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าเอา้าถ้าช่วงว่างๆก็ไม่ได้เป็นอีกพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็จะได้ดิบได้ดีเองนั่นแหละเพราะสะสมบุญมาแล้วไม่ต้องห่วงนะถึงจะไปอยู่ป่าเขาหิ ม, มาพานที่ไหนพระพุทธเจ้าก็จะไปโปรดจนได้นั่นแะ เล่งขายพยานไปจนเจอมันสะสมบุญเนี่ยมันดีทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละคือคาว่ากรรมนี้เป็นคํากลางๆเนี่ยนะมีสอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะคือกรรมดำก็มีกรรมขาวก็มีทั้งดำทั้งขาวและกรรมไม่ดำไม่ขาวเพราะฉะนั้นโลกุตระก็เรียกว่ากรรมแต่กรรมที่เป็นไปกับอาสวะนี่หมายถึงกรรมเจตนา29้า ที่เรียกเป็นกรรมที่เป็นไปกับอาสวะเพราะมีอาสวะเป็นปัจจัยเนี่ยนะเจตนายีิบเก้าที่เป็นโลกียะเนี่ยนะหมายคำว่าเจตนาที่เป็นไปกับบุญเจตนาที่เป็นไปกับบาปเจตนาที่เป็นไปกับชาณจิตทั้งหลายเจตนาเหล่านั้นมีอาสวะเป็นปัจจัยและยังเป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านั้นเรียกว่ากรรมที่เป็นไปกับอาสวะ แต่คาว่ากรรมนี้อมความไปถึงโลกุตระเพราะฉะนั้นโลกุตระก็เป็นกรรมแต่ไม่เป็นไปกับอาสวะในขณะเดียวกันกรรมที่เป็นโลกุตระทำลายอาสวะด้วยคือในในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะวินัยเ น, ยเนย โ, โดยสาระจริงๆก็เน้นไปที่ศีลพระสูตรก็คือสมาธิแล้วก็ภาพพิธามก็คือในส่วนของปัญญา แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาก็มีในพระวินยัยศีลสมาธิปัญญาก็มีในพระสูตรศีล ส, สมาธิปัญญาก็มีอยู่ในพระอภิธรรมเพราะฉะนั้นเราจะไปกล่าวส่วนใดส่วนหนึ่งก็ยากเหมือนกันโดยเฉพาะสิกขาบทวิพังคนี่พูดเรื่องศีลเลยนะศิกขาบทวิพัง์หรือฌานวิพัง์ก็พูดเรื่องศีลในคัำพยาพิธรรมเลยนะในคำพยาพิธรรมก็มีเรื่องศีลใครบอกว่าแนวพิธรรมไม่ค่อยสอนเรื่องศีลที่ไหนได้สอนละเอียดมากกว่าในวินัยด้วยซ้ำเลย ในภ า, าพพิธรมเขายกเอาจิตเจตสิก ข, ของศีลแต่ละอย่างขึ้นมาพูดหมดเลยอกุศลที่มันกำเริบเสริรพสารเนี่ยนะพิธรรมออมาชี้แจงอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในอภิธรรมพอภิธรรมพูดถึงฌานมรรคผลอภิญญามหมดเกลี้ยงแต่ไม่ใช่วินัยไม่พูดนะวินัยก็พูดในพระสูตรก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นคําสอนทุกส่วนแต่ว่าเป็นไปโดยมากระหวางง่างกันพระวินัยเนี่ยคือเป็นไปโดยมากคือศีลพระสูตรเป็นไปโดยมากคือสมาธิ พระพิธรรมเป็นไปโดยมากคือปัญญาแต่ก็ใช้คําว่ามากนะไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างอื่นประกอบด้วยเพราะฉะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นคําสอนที่เรียกว่าตรายสิกขาเพราะฉะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาเหล่านี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากก็จะทําอรรยมรรคให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นคําสอนทั้งหมดเหล่านั้ น, น, นก็คือคําสอนที่สอนให้แทงตลอดอริยสัจหมดเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามพระวินยัยพระพระสูตรหรือพระพิธรมก็ตามจุดหมายอันเดียวคือ แทงตลอดอริยสัต์เพราะพุทธศาสนาเลยลืมว่าพุทธหมายถึงตรัสรู้อริยสัจหนึ่งเนี่ยพุทธศาสนาหมายว่าศาสนาของผู้ตรัสรู้อริยสัต์ถ้าตรัสรู้อริยสัต์แบบฟังมาเรียกว่าสาวกพุทธาสาวกพุทธาสาวกถ้าตรัสรู้อริยสัต์เองแต่สอนคนอื่นไม่ได้เรียกว่าปัจเจ ก, กับพุทธพุทธะอีกเหมือนกันหรือว่าถ้าตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วสอนคนอื่นเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะ แต่ว่าพุทธศาสนาหมายถึงศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองทีนี้ก่อนหน้านั้นมาทําไมจึงไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าล่ะเจ้าชายศิทธทาเนี่นะมีอายุจนถึง35ปีใช่ไหมทำไมไม่เรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนหน้านี้มาเลยเพราะก่อนหน้านี้มาท่านยังไม่แทงตลอดอริยสัจ นับตั้งแต่ท่านแทงตลอดอริยสัจบรรลุสัพพัญญุตยานประกาศพระสัจธรรมคำสอนหลังจากนั้นเรื่อยมาจึงเรียกว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วในโลกแต่ถ้าก่อนหน้านั้นก็ยังเพราะไม่มีผู้ที่ประกาศอริยสัจที่จริงแล้วทุกสัจกับสมุทยัยสัจมันนะก็คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ดําเนินไปในวัตะนั่นแหลแต่ในส่วนที่เป็นมัคสัจกับนิโรสัจถ้าไม่มีผู้ประกาศบอกจําแนกเปิดเผยทําให้ตื่น ผู้ที่จะปฏิบัติเข้าถึงโลกุตระมักเหล่านี้จะมีไม่ได้เมื่อโลกุตระมักไม่มีนิโรธก็จะทําให้แจ้งไม่ได้เพฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้เรื่องนี้แล้วเปิดเผยเพราะฉะนั้นถามว่าเราศึกษาศีลสมาธิปัญญาศึกษาเพื่ออะไรก็ศึกษาเพื่อแทงตลอดอริยสัพน์นั่นเองถ้าไม่อย่างนั้นนเออเรียนไปเรียนมาอ่านมาเยอะแยะพระไตรปิฎกเล่มไหนก็นึกออกหมดเอจบแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยยังนึกไม่ออกเขาบอกว่า ว่าเอาไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้เลยอ่ะวิชาเนี่ยนะอ่าอย่างพวกเราเนี่ยเออเรียนอริยสัจมาฟังอริยสัจมานี่ก็พุท ธ, ธะเหมือนกันแต่วสุตะพุท ธ, ธะเนี่ยนะอาศัยโสตะทาวานมาแต่ถามว่านี่เป็นเบื้องต้นเพื่อเป็นพุทธสาวกเนี่ยนะเป็นหนทางเป็นบันไดเพื่อก้าวสู่ขึ้นเป็นพุทธสาวกแต่ถ้าไม่มีสุตะเลยนะแหมจะรบรรลุเองเลยเนะี่ยบรรลุจริงแต่ว่าบรรลุอะไรไม่รู้นะบรรลุอะไรคนละอย่างกับพระพผู้แต่เจ้าเลย เพราะอย่าลืมอีกสัพ์หนึ่งนะแค่บอกว่าอริยะนี่จะพูดไม่ขัดกันเนี่ยนะพระริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะพระกับพระอริยะอื่นๆจะพูดไม่ขัดกันเพราะฉะนั้นถ้าที่ถ้าเราจะศึกษาเรื่องพระริยเจ้านะศึกษาพระไตรปิฎกให้ละเอียดให้ดีพอถ้าคนนั้นๆเป็นพระอริยะจริงๆเขาจะต้องพูดไม่ขัดกับ พ, ะบพระไตรปิฎกขณะภาษาริบุตรยังพูดไม่ขัดกับพระพุทธเจ้าแล้วจะมีใครจะเก่งกว่าพภาษาริบุตรอีกละ่ะ เพราะฉะนั้นก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นแบบเป็นแผนเป็นเทียบเคียงนี่แหะเพราะฉะนั้นพระปริยัติธรรมจึงเป็นสารณะของเราจริงๆเนี่ยนะการปฏิบัติในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันยังไม่แน่นอนใช่ไหมวันนี้กุศลเกิดกุศลแต่ละวันแต่ละวันก็ไม่เท่ากันแต่อย่าลืมว่ากุศลเหล่านั้นที่เจริญต้องอนุวัตเป็นไปตามแบบแผนคือพระปริยัติสัตธรรมเนี่ยนะที่จริงเราเราเรามีความสามารถในการเจริญกุศลด้านอื่นๆทั้งมากมายนะ เที่ยวให้ทานทั่วไปหมดเลยที่ไหนก็จะไปให้หมดอาจจะให้ได้อย่างนั้นจริงๆแต่ว่าการให้ในลักษณะนั้นเนี่ยเกื้อกูลต่อการแทงตลอดอริยสัจไหมสัมพันธ์กับคําสอนที่เป็นไปเพื่อการรู้อริยสัจไหมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เรียกว่าการเจริญกุศลที่ให้ทานรักษาศีลหรือการเจริญกรรมฐานหมวดใดๆก็ตามขอให้เป็นไปตามแนวของคําสอนอย่างเดียวเอาคําสอนเป็นเป็นบรรทัศฐ์อย่างนั้น เพราะฉะนั้นอีกศับหนึ่งเขาบอกว่าพระสูตรเนี่ยเป็นเหมือนกับเส้นบรรทัดบอกว่าช่างไม้เนี่ยนะเวลาจะถากไม้นี่อาศัยเส้นบรรทัดหรือว่าจะเลื่อยจะตัดจะทอนอะไรก็อาศัยเส้นบรรทัดเนี่ยนะเหมือนกับที่เราเห็นเอยู่เนี่ยที่มันเป็นแบบเป็นมุมเป็นเหลี่ยมเป็นฉากเป็นอะไรได้ก็อาศัยเรื่องพวกเส้นบรรทัดพวกฉากพวกอะไรทั้งหลายแหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นพระสูตรหรือพระธรรมคําสอนเนี่ยเป็นแบบแผนให้เราเอาไว้เทียบเคียงสอบทานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษามากก็จะมี เครื่องมือในการเทียบเคียงสอบทานมากดังนั้ น, นการศึกษาการฟังลักษณะนี้เนี่ยนะตามเราเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งในอริยทรัพย์เจ็ดประการใช่ไหมสุตะนี้เป็นเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเมื่อไรที่เราทั้งหลายยินดีว่าสุตะเป็นทรัพย์เมื่อนั้นเราก็จะไม่เป็นหัตถลิทธาไม่เป็นคนเรียกว่ายากไรอย่างนั้นจะไม่เป็นคนอนาถาถ้ามีสุตะใช่ไหมเพราะในโลกนี้คนที่ ทุกทุกศาสทุกแขนงเลยจะยอมรับคนที่มีสุตตะในแขนงนั้นๆใช่ไหมในในคำสอนก็เหมือนกันมันผู้ที่ศึกษาคําสอนมากๆ ก, ก็นับว่ามีอริยทรัพย์อย่างหนึ่งเขาศึกษามามากนะถ้าไม่ปฏิบัติตามหน้าตําหนิในส่วนที่ไม่ปฏิบัติไม่ใช่ตําหนิเพราะเรียนมากไอเรียนมากนี่ดีแล้วแต่ไอไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนี่หน้าตําหนิอ่ะนะ ไม่ใช่ว่าแต่คนนี้ปฏิบัติอย่างเดียวไม่เรียนเอาก็ชมในแง่เขาปฏิบัติสิอย่าไปชมในแง่เขาไม่เรียนก็เอาดีไปคนละส่วนคนละส่วนเราก็ต้องแยกกล่าวแยกแสดงเหมือนกัน